ในเจตนาเจ็ดอย่างเจตนาต้นด้วยสมบูรณ์แห่งจิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคือคือองค์ประกอบของการทําบุญเนี่ยนะถ้ามีองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะบุญจะให้ผลภายในเจ็ดวันใช่ไหมอะไรบ้างก็มีปุพพ ะ, ะเจตนามุนจนะเจตนาอปปาระพรเจตนาบุพพะเจตนาแล้วก็บุญเหล่านี้ต้องประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะมีประกอบด้วยปัญญาทายธรรมที่สังขพราหมณ์ได้ให้ก็เป็นสิ่งที่ บริสุทธิ์ขณะเดียวกันพระประเจกพระพุทธเจ้าก็ออกจากนิโรสมาบัติท่านก็ระลึกถึงบุญเหล่านั้นด้วยปีติและสมณัตถือว่ามีองค์ประกอบที่ดีเยี่ยมนะเจตนาเหล่านั้นก็ได้ให้ผลได้เสวยผลในปัจจุบันและมีผลมากมายอย่างยิ่งแม้ผลนี้ก็เห็นว่าเป็นผลของความไม่ประมาทต่อการให้ทานนั่นแลลวถ้าเป็นคนตนีทีเนี้ยนะ อ, อย่างเดียวเนี่ยนะอาจจะดีไม่ดีก็ตายทั้งกับวันเรือแตกแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปลงเรือหรอกอยู่บนดินมันก็ตายเชื่อถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยนะสรุปว่าถ้าไม่มีบุญตายแล้วก็ยังไปไหนอีกต่อล ะ, อะนะพันหมู่สัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ในโลกเนี่ยถ้าใครที่มองชีวิตแค่ชาติเดียวเนี่ยเหมือนกับว่าบุญกุศลไม่มีความจําเป็นใดๆแต่ถ้ามองชีวิตหลายๆภพหลายๆชาติสเสียงทางที่จะสืบเนื่องจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่ง จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเนี่ยจะไปยังไงหนอยิ่งยุคสมัยใหม่เนี่ยนะตายหมู่ตายพวกตายเยอะๆมากๆมายๆอย่างทุกวันเนี่ยนะได้ข่าวกันบ่อยๆเนี่ยนะพวกเขาเหล่านั้นเมื่อตายแล้วเขาจะไปเจอที่ไหนเนออย่างสมมติเครื่องบินตกตายเป็นร้อยอย่างเงี้ยนะตุ้มไปเลยหมดเลยเกิดที่ไหนดีถ้าพวกอุชเชตทิถีก็บอกจบเลยศูนย์พวกศาสตาทิถีนี้วิญญาณพระเนจรไปไหนเนอะ นะถ้าพวกกรรมสกตาบอกจุติแล้วเข้าปฏิสนธิที่ไหนเนาะอนะจุติแล้วปฏิสนธิกรรมตัวไหนนะจะนําเข้าไปสู่ปฏิสนธิในภพใหม่ก่อนจะตายเขาคิดถึงอะไรเนอเป็นต้นเนะนะขอพอที่จะรู้ว่าปุพหะเจตธรมนิมิตคตินิมิตของเขาควรจะเป็นที่ไหนเป็นต้นเน ะ, นะ่ยนะ ใครที่รู้จักกรรมรู้จักผลแห่งกรรมรู้จักความดีความชั่วรู้จักคติแห่งพบใหม่เป็นต้นเนี่ยมันจะต้องจะต้องรู้จักความไม่ประมาทต่อการเจริญบุญเนี่ยนะที่จริงแล้วคนที่ที่ทาบุญไว่มากๆเนี่ยนะเขาจะระลึกถึงบุญของเขาได้ไม่ยากยิ่งคนที่ให้ทานมากเนี่ยพูดถึงพูดถึงอะไรเนี่ยนะเขาก็เคยทำบุญมาพูดถึงข้าวข้าวเขาก็เคยให้ทานพูดถึงน้า ก็เคยให้ทานพูดถึงผ้าเขาก็เคยให้ผ้าเป็นทานพูดถึงสิ่งใดๆ ใ, ในโลกเนี่ยนะสฉะของดีๆทั้งหลายเนี่ยนะของที่ให้เป็นบุญเว้นแต่เหล้าเป็นต้นเนี่ยนะเว้นแต่เหล้าเป็นต้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่บุญนะเลี้ยงเหล้าคนอื่นมาเยอะมากมาย anden, อันนี้ไม่ใช่บุญนะจะเลี้ยงหมดกี่ล้านกี่ขวดก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่หมายถึงว่าพูดถึงว่าของที่ให้เป็นบุญเนี่ยนะและลึกถึงเนี่ยนะคนที่ทําบุญมามากๆพูดถึงอะไรเขาก็ทําบุญมาเพราะฉะนั้น เขาคือผู้ที่ไม่ประมาทในผลของบุญอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านให้ทานนั้นเนี่ยเป็นทานที่มีผลประมาณไม่ได้ขณะเดียวกันก็เป็นทานที่เกื้อกูลต่อการตรัสรู้เป็นโพธิสมภารหมายถึงว่าการสั่งสมบุญเพื่อการตรัสรู้บางคนเนี่ยนะแปลกนะกนนว่าอุ้ยจะนิพานทานก็เลยไม่ให้เลยมุ่งนิพานอย่างเดียวยมว่าจะบรรลุเลยใช่ไหม แม้ยังว่านิพานนี่มันง่ายขนาดนั้นเนี่ยนะกระโดดพรวดมาก็ บ, บรรลุแล้วก็คนอย่างเราอย่างนั้นเน่ยนะบรรลุนิพานไม่ยากขนาดในพระไตรปิฎกเนี่ยพูดถึงประวัติของพระพระรูปหนึ่งเป็นพระเทระทรงพระไตรปิฎกสอนคนอื่นบรรลุเป็นพระารันเป็นหมืน่นพระมหาสีระอยคนอย่างเราเนี่ยมันเมื่ร้ายไม่กี่วันก็ บ, บรรลุแล้วตัวเองทรงพระไตรปิฎกด้วยนะสอนคนอื่นบรรลุ ด, ด้วย ก็เลยบอกไอ้คนอย่างเราไม่นานก็บรรลุแล้วก็เลยไปปฏิบัติวันที่หนึ่งผ่านไปก็เงียบสองก็เงียบเว้ยเขา้ารรษาเนี้บรรลุแน่นอนไม่บรรลุอะ่ะไม่บรรลุก็โอยไม่ต้องกลับไปแล้วปฏิบัติอุย้ยออกพรรษายังไงก็บรรลุออกภรษาก็เงียบไม่บรรลุพอไม่บรรลุแล้วก็หสงสัยเราประมาทมั้งก็เลยคว่ำกระดาษนยไม่นอนเออคว่ำเตียงอะไรคะเ น, นี้เลิกนอนลนะไม่นอนลนะ เดินจงกรมยืนเดินนั่งสามอย่างเท่านั้นเนี่ยแล้วทรง พ, พระไตรปิฎกด้วยเนี่ยนะแล้วสอนข้อปฏิบัติท่านก็ไม่เข้าใจผิดเพราะท่านรู้สอนคนอื่นจนบรรลมุมามากมายเนี่ยนะ น, นั่นก็เป็นเครื่องรับรองปฏิบัติอยู่สักปีนี้ยังไงก็บรรลุคิดอย่างนี้สามสิบปีปีที่สามสิบเนี่ยนะนั่งร้องให้เลยโอ้ยเราในบุญน้อยเนี่ยนะเสียอกเสียใจใหญ่เทวดาก็มาร้องให้มั่งร้องให้อยู่คนละฝากกันบอก โอ้ก็ท่านมาเสียใจอะไรทําไมมาร้องให้อ่ะก็เพื่อจะได้สักมรรคสองมรรคไงก็ร้องให้เหมือนท่านในแล้วเพื่อจะได้สักมรรคสองมรรคก็ดูสิเทวดา ย, ยังมาถากถางเย่อเย้ อ, อเลยก็เลยเศก็เลยสังเวชเจริญวิปัสนาบรรลุในขณะนั้นท่านยัง30มสิปีอ่ะนะแล้วของเราล่ะอะนะโมนาะโมนาะโมท่องเฮ้อเนี่ยนะ โมตสะพษษักวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะก็ว่าพิเตชุกถูกว่าแล้วก็แปลบ้างไม่ได้บ้างไอ้แปลได้แล้วก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะเขาบรรลุอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะแม้บรรลุไม่ยากนะก็เลยไม่เหลือให้ทานบางรูปบางท่านนี่มันหนักขนาดถึงไอยพวกนี้นะต้องการวัตตะก็เลยมัวแต่ให้ทานรักษาศีล น, นี่อย่างเขาสิว่า ง, งั้นนั่งใช้ใสูบบุหรี่ใช้ใช้ไปวันหนึ่ง บางคนนี่มันเข้าใจผิดพลาดจริงๆเลยนะไม่รู้อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญความเสื่อมเป็นต้นแยกแยะไม่เป็นเนี่ยนะพันคนที่จะตรัสรู้จริงๆเนี่ยนะเขาตนีมาหาพูดหรื อ, อยังไงรัไอปฏิบัตเพื่อบือนายและคลายกำเน็บอกว่าไอการเป็นพระโสดาบานันการบรรลุมรรคผลเป็นต้นก็คือการปฏิบัติเพื่อเบือหน่ายและคลายกำหนัดใน มาหาพูดแต่ตะหนี่เอามากองกอดสวมไว้แล้วกรกลืนกินเบ็ดเส็พว่านั่นของเรานั่นกับของเราอันนั้นกับของเรามีแต่ของเราของเราบอกว่าจะนี้พ่านมาจะนี้ผ่านตรงไหนนาะเนี่ย น, น, ะ, น, ะ, นะ่ดีเป็นผีเฝ้าวันนั่นเลยเนี่ยนีถ้าเป็นผีเฝ้าวันนั้นดีใจนะแเป็นเทวดาเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แถวแถว น, น, นั้นใช่ไหมไอ้ปัญหามันต่ําจากเทวดานี่สิเป็นมแมลงเฝ้าคลองนั้นน่ยนะ่ยทหลังกุติมันเมื่อวาน ขวานตกใจมากเป็นหลังกุติอุ้ยทําไมปลวกมันมากขนาดนี้ยุบยบไปหมดก็ถามเขาบอกว่าก็ปลวกมันอยู่ตรงนี้มานานแล้วเนี่ยนะก็เพิ่งเห็นอ๊ยมันเยอะจริงๆบอกว่าตรงที่กุติท่านน่ะมันรังปลวกทั้งน้านอย่า ง, งั้นก็เรานึกว่าอยู่คนเดียวมานานที่ไหนได้อะ น, นะฟูกเบ็ดฟูงเลยนะตัวเบรลมเนี่ยนะดีก็สร้างเลยกุติปูนและกุติไม้เนี่ยงานนี้ไม่นานหมดแน่ดีว่ามันกินปูนไม่ได้กันแะนะ่ มันอย่าไปคิดนะว่าสัตว์มันเล็กมันน้อยมั น, ม, นมันเยอะจริงๆอ่ะนะมันคนที่ปรารถนาว่าวิวัตะปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนามรรผลนิพพานเนี่ยนะถ้าไม่สั่งสมบุญไว้ดีเนี่ยนะอย่าว่านิพพานเลยชาติหน้าไม่รู้จะกินอะไรแล้วเนี่ยนะอย่าไม่กระทั่งมหาผู้ที่จะมีไว้บริโภคยังไม่มีเลยมันคนที่ตรัสรู้เนี่ยเราเร า, เราคิดดูนะว่าเป็นคนยากนักหรือที่เขาบรรลุสมัยพุทธกาลเนี่ยนะ ไม่เลยเป็นคนที่เพียรพร้อมแล้วเข้าเหล่านั้นตันหนีในมหาผููใช่ไหมบางคนบอกว่าจะนิพพานแล้วก็เลยไม่ให้ทานไม่อะไรแล้วเพราะอะไรนะเหมือนกับว่าพรุ่งเหมือนกับแบบอะไรนะเหมือนกับว่าพรุ่งนี้โลกจะแตกแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปอะไรแล้วเออถ้าอย่างนั้นจริงก็ดีไปแต่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะมันสเสบียงทางนั้นจําต้องปรารถนายาวะถ้าสเสบียงทางก็คือเพื่อพบต่ อ, ตอไปแต่นี้เป็นสเสบียงเพื่อโพธิญานเป็นสเสบียงแห่งการ ตรัสรู้แม้แต่บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นแล้วเขาก็ยังให้ทานถามมาเพื่ออะไรเพื่อบ่มโพธิญาณสูงสูงต่อไปอีกเพื่อบรรลุคุณธรรมชั้นสูงสูงต่อไปอีกเพราะการให้ทานนั้นอ่บัณฑิตทั้งหลายเขาสืบเนื่องและทําดําเนินมาเพราะฉะนั้นทานนั้นอ่ะนะก็เป็นทานที่มีผลหาประมาณไม่ได้ขณะเดียวกันก็เป็นการให้ทานเพื่อ โพธิสมผานเป็นการสั่งสมบุญเพื่อถ้าหากว่ามองการให้ทานหนึ่งยนะก็เหมือนว่าใครที่จะสร้างตึกสูงๆใหญ่ๆจริงๆนะเจตนาในการให้ทานครั้งหนึ่งก็เหมือนกับอิดหินปูนทรายแต่ละเม็ดะนะเพื่อมาเรียงกันนะพันเจตนา เ, เขาวัดกันที่เม็ดบุญนะนะเม็ดบุญคือชาวนะจิตที่เป็นไปกับสิ่งเหล่านั้นที่เป็นไปกับกุศลเหล่านั้น ก็ถ้าหากว่ามองชวนะจิตหนึ่งชวนะเท่ากับเม็ดทรายเราต้องสั่งสมเม็ดทรายแค่ไหนจึงจะพอสร้างตึกคือเจดีย์ในใจของเราได้สําเร็จเนี่ยนะเพราะใจของเราเนี่ยถามดูมันแหมมันพร่องเหลือเกินนะถ้าถามเรื่อนั้นนะนว่าพร่องพร่อ ง, องถ้าหากว่าเราไม่ไม่คิดให้จิตเป็นไปกับบุญอย่างเต็มที่จะสร้างอารยมรรคในใจของตัวเองได้สําเร็จง่ายๆหรือ ถ้าไม่สะสมบุญมาอย่างเพียงพอขณะเดียวกันวัตถุในโลกถ้าเราเห็นอะไรแล้วใจไม่เป็นบุญคู่ควรจะตรัสรู้ได้ไหมก็ไม่คู่ควรอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นผลแห่งทานเนี่ยนะถ้าใครรู้ผลแห่งทานว่าทานนี้ให้ผลเป็นความสุขในภพนี้เป็นเหตุให้ประสบความเจริญในภพหน้าต่อๆไปขณะเดียวกันทานก็ยังเป็นอุปนิสัยให้บรรลุมรรคผลพระองค์จึงบอกว่า งบอกยายกรเลยนะว่าเพราะเหตุนั้นคือเหตุที่เราได้ให้ทานอันนั้นเราจึงเป็นผู้ละเอียดอ่อนเจริญด้วยความสุขเป็นร้อยเท่าพันผลบุญที่เกิดจากการกระทำการลงทุนทำบุญในครั้งนั้น น, นะให้ผลเป็นร้อยเท่าพันเท่าใช่ไหมอันหนึ่งเมื่อเราบำเพ็ญทานให้บริบูรณ์ได้ถวายทานแก่ท่านนั้นอย่างนี้แล สรุว่าในครั้งนั้นเนี่ยนะผลของบุญก็คือให้ผลเป็นร้อยเท่าเนี่ยนะครั้งนั้นเราเป็นสังฆพรามผู้ละเอียดอ่อนได้รับความสุขคือได้รับความเจริญอันนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงบำเพ็ญทานให้บริบูรณ์พระศาสดาประกาศความที่อัธยาศัยในการให้ทานของพระองค์เนี่ยกว้างขวางมากเนี่ยนะมีอัธยาศัยน้อมไปจะให้ทานจริงๆ เพราะฉะนั้นการให้ทานบอกขอทานบารมีของเราจงบริบูรณ์ด้วยประการชนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงได้ถวายร่มถวายรองเท้าแก่พระปเจกับพระเจ้พาพระองค์นั้นเป็นการทําบุญโดยที่ไม่คํานึงถึงความทุกข์ในร่างกายของตนไม่ไม่คำนึงเลยนะว่าตัวเองจะต้องบางเหมือนกับบางคนนี่นะให้ทานจนตัวเองลืมทานอ่ะนะหมายถึงว่าแปลว่าอะไรแปลว่าให้ทานจนลืมกินเหมือนกันเถอะ มัวแต่ให้ทานจนลืมมาตัวเองเอ๊ยยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยให้ทานคนอื่นเขากินเบ็ดเสร็จแทบจะล้างหมอ้อล้างชามคว่ำหมดแล้วนะเออพึงนึกได้ว่าเรายังไม่ได้กินเลยอันนั้นแค่เราว่าให้ทานจนลืมทานหมายก็ว่าให้ทานจนลืมกินนั่นแหละบางคนเนี่ยนักให้ก็ให้อย่างนั้นจริงๆเนะี่มีความสุขกับการให้ให้ตั้งกระ บ, บอกว่าให้มาตั้งแต่เช้าแล้วนเนี่ยนะยังไม่ได้ค่อยทานอะไรเลยบางคนที่มีอยทะยาศัยอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโดยไม่คํานึงถึง ตัวของเขาเลยแต่เชื่อไหมบุคคลเหล่านี้กลับไม่เคยเดือดร้อนในเรื่องเรื่องอาหารเรื่องอะไรเป็นต้นเลยเพราะว่าอย่างว่านะผู้ใดให้สิ่งเช่นใดไว้ก็จะได้รับผลสิ่งนั้นนะพันถ้าใครเพราะแต่มะเล็ดพันธุ์มะม่วงปลูกเป็มะม่วงลงทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันยังไงก็มากไปด้วยมะม่วงต่อไปในอนาคตก็กลายเป็นเจ้าของสวนมะม่วงฉันใดนี่ก็เหมือนกันถ้าใครทําเหตุเช่นใดไว้ก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นเนี่ยนะ พระโพธิสัตว์แม้อยู่ครองเรือนที่มีทรัพย์นับไม่ถ้วนจนตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจากผลแห่งการให้เนี่ยนะแม้แต่ชาตินั้นพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้เคยยากจนเลยนะชีวิตก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ยากจนทรัพย์สมบัติก็ไม่ขี้เกียดนั่งนับว่ามันมีเท่าไหร่นะแล้วก็ให้ทานอย่างมากมายรักษาศีลจนสิ้นอายุแล้วก็ยังเทพนคะรให้เต็มพร้อมด้วยบริษัทธ์ก็ไปเนี่ยนะ คือคนที่มีปัญญาจริงๆเวลาทำบุญก็เป็นการทำบุญที่ที่ช่วยให้ผู้อื่นเป็นบุญด้วยเนี่ยนะเป็นการให้ทานเพื่อจะส่งเคราะคนอื่นให้คนอื่นได้มีโอกาสเจริญกุศลเพราะฉะนั้นพร้อมทั้งพวกบริวารข้าทาสกรรมกรเป็นต้นเหล่านั้นก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยเนี่ยนะสรุปว่าเทวดาที่เหาะมาครั้งนั้นคือใครนางอุบลว น, นาเทรีเนี่ยนะเออบางชาติชาติเป็นอะไรนะ เกี่ยวข้องกันเดี๋ยวก็เป็นแม่บ้างเดี๋ยวก็เป็นลูกบ้างเดี๋ยวก็เป็นคนช่วยเหลือก็วนๆอย่างนั้นเออสังสารวัตรมันก็พันๆกันอยู่แถวเนี้ยนะชาติอะไรนะบางชาตินี่เป็นแม่เหมือนชาติก่อนพระเวศเออชาติหลายหลายชาติก่อนที่จะมาเป็นสุวรรณสามเนี่ยนางอุบลวรรณาเป็นแม่เป็นพระเวสสันดรอุบลวรรณาเป็นลูกบางชาติก็มาเป็นคนช่วยเหลือกันอย่า น, นัเป็นตน้นส ร, รุปบุรุษรับใช้ใ น, นครั้งนั้นคือพระอนน์นะ พระนนทเนียโอ้ยตามรับใช้มาหลายชาติอ่ะนะอืดีนะว่าพระโพธิสัตว์อนุโมทนาอะไรนะอุทิศส่วนบุญให้เออการบอกอะไรนะบุญทําใดมายกบุญให้คนอื่นเพื่ออนุโมทนาเนี่ยนะแล้วรับอนุโมทนาเนะี่ยเราก็ได้บุญในส่วนเหล่านั้นด้วยเนี่ยนะส่วนสังฆพรามก็คือพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของชาวโลกเนี่ยนะนะที่พึ่งของสัตว์โลกสังฆพรามนั้น ย่อมได้รับบารมีเหล่านี้คือศีลเพราะว่าปกติแล้วเป็นผู้ที่มีนิจศจีลคือศีลห้าเป็นเป็นนิจจะคือไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเนี่ยนะแล้วก็อุโบสถศีลที่บริสุทธ์ด้วยดีเนี่ยนะก็ใจนี่ก็มีปกติตั้งมั่นอยู่ด้วยศีลเนี่ยนะเจตนาน้อมไปเพื่อการฆ่าการลักเป็นต้นไม่มีขณะเดียวกันก็ไม่ประมาทในกุศลศีลเหล่านี้ถึงวันอุโบสถก็สมาทานอุโบสถ เนคขมมะบารมีคืออะไรเนคขมมะบารมีด้วยอำนาจแห่งขณะที่กุศ ล, ลธรรมเจริญขึ้นก็เป็นเนคขมมะกุศลนี่เป็นเนคขมมะเพราะรอะไรเพราะออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ฝันการาที่เจริญกุศลของท่านเป็นปฏิปักเช่นกุศลที่เกิดการให้ทานก็ปฏิปักต่อความตรนีมันก็เป็นเนคขมมะคือการออกจากความตรนีกุศลคือศีลก็ออกจากโทสะเนี่ยนะศีลเนี่ยเป็นตัวที่ออกจาก ความเดือดร้อนความไม่สบายใจเป็นต้นวิริยะบารมีวิริยะก็ด้วยอำนาจแข่งความอุตสาหะอย่างยิ่งเพื่อให้สําเร็จทานบารมีเป็นต้นถ้าหากว่าคนขี้เกียจเนี่ยนะคนขี้เกียจให้ทานไม่ได้หรอกเชื่อเนี่ยนะคนที่ขาดความภาพเพียรพยายามดูนั่นนักให้ทานทั้งหลายคนขยันทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเป็นโดยอัธยาสายัยรวมๆแล้วเป็นคนที่ขยันมากพวกนี้แทบจะอยู่นิ่งไม่ได้หาอะไรที่น้อมไปเพื่อจะให้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ แล้วก็คนที่มีความเพียรก็คือผู้ที่อย่างพระโพธิสัตว์ก็คือพยายามเพื่อที่จะไหวยข้ามมหาสมุทรเนี่ยนะเพียรก็คือถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยชดใจตายแน่างานนี้ขี้เกียจก็เลยว่าเอาตะคิวซะจมน้ําตายไปเลยเนี่ยนะ ถ, ถ้าไม่ภาพเพียรพยายามก็ลักษณะนั้นแหละขันติบารมีของพระองค์ก็คืออดกลั้นเพื่อประโยชน์อันนั้น ถ้าคนไม่มีความอดทนเลยเนี่ยนะถ้าไม่มีขันติเลยเนี่ยนะจะเจริญกุศลได้ขนาดนี้ไหมเพราะให้ทานนี่ก็ไม่ใช่จะเรื่องง่ายๆนะให้ทานเนี่ยกว่ายุ่งคล้องที่จะให้บ้างไอ้คนรับก็วุ่นวายไอ้บริวารก็เป็นต้นก็อ๊ยกว่าจะให้แต่ละอย่างได้มันยากยากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความอดทนก็ให้ทานยากศีนก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีความอดทนนี่ยากยา ก, ยากรักษายาก จเจริญกุศลทุกชนิดถ้าไม่มีน้ำอดน้ำทนไม่มีขันติในใจเนี่ยยากที่จะสำเร็จเนี่ยนะพันขันติเนี่ยจึงเป็นเหตุให้การให้ทานได้สำเร็จรักษาศีลได้สำเร็จเจริญคุณงามความดีได้อย่างต่อเนื่องก็เนื่องจากว่ามีขันตินั่นแหละขณะเดียวกันเนี่ยสัจจะบารมีท่านก็อะไรนะมีสัจจะด้วยการปฏิบัติสมควรแก่คาที่ได้พูดเอาไว อพูดว่าจะให้ทานก็ได้ให้อย่างที่ปรารถนาที่จะให้รักษาศีลก็รักษาอย่างที่ปรารถนาจะรักษาอธิฐานบารมีของท่านก็คือการสมาทานและตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวในที่ทั้งปวงอธิฐานบารมีก็คือการสมาทานนั่นเอง สมาทานที่จะให้ก็คืออธิฐานบารมีสมาทานที่จะรักษาศีลก็เป็นอธิฐานบารมีสมาทานที่จะเจริญกุศลการสมาทานการตั้งอัตตสัมมาปณิที่นั่นแหละคืออธิฐานบารมีเมื่อสมาทานเสร็จแล้วก็มั่นตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวที่จะเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าอันนั้นหวั่นไหวน่าดูเลยนะไม่น่าเลยเคยไม่จะให้บางอย่างแล้ว ไม่รู้คิดให้ทำไมก็ไม่รู้เนี่ยนะบางทีตอนหลังมันก็งอนเงันงอนเงันเนี่ยนะตอนแรกก็ทําถ้าจะตอกไว้หลักปึ้งปึ้งอะนะเหมือนตอกตะปูะนะตอกไปตอกมาไปตอกผิดที่ตอกในกองฟางเข้าก็เลยโยกเยกโยกเยกโยกเยกบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆพันธ์อธิษฐานเนี่ยถือว่าสําคัญมากตั้งใจที่จะทํากุศลเนีน่ยนะทีนี้กุศลเนี่ยมันมั น, มนอุปสรรคทั้งปีนั่นแหละเชื่อในโลกนี้เดี๋ยวถ้าเรายืนอยู่กลางแจ้งเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหม มีไหมโ ย, ยมว่ามีไหม ย, ยืนอยู่กลางแจ้งเฉยๆเนี่ยโยมว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวก็ลมมาเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็มาแรงมามาตอมากวนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อโอ้เต็มไปหมดอะ่ะเชื่อที่ไหนมันดูโล่งๆเหมือนไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็มีจนได้ฉันใดก็ดีในโลกนี้การเจริญคุณงามความดีการทําบุญทํากุศลเนี่ยนะอย่าคิดว่ามันไม่มีอุปสรรคมันมีอยู่แล้วล่ะปัญหาว่าตั้งใจจะเจริญไหมล่ะ ตั้งใจที่จะให้ทานเนี่ยนะในเจตนาตั้งไว้ที่จะเจริญว่าวันวันหนึ่งเจตนาที่จะให้ของเราควรจะเกิดกี่ทีดีนะสมาทานไว้หรือเปล่าอธิฐานไม่ว่าตัวเองควรจะให้วันละกี่ครั้งควรจะให้อะไรบ้างนะแล้วของที่จะควรที่จะให้อะไรบ้างแล้วการให้เหล่านี้จะเพิ่มพูนไหมหรือว่าขอบเขตแค่ไหนในการที่จะให้เพราะฉะนั้นบุญนี้อยู่ที่ของหรืออยู่ที่ใจ ทานนี้อยู่ที่ไหนมันถ้าเราไม่มีใจที่น้อมไปเพื่อจะให้ก็อย่าร้องเรียกเพื่อจะมีเหมือนกันนะเพราะว่าแปลกนะในโลกเนี่ยมันเป็นของของคนที่จะให้ถ้าใครที่จะให้คนนั้นก็คือคนที่จะมีมันก็พยายามน้อมไปเพื่อจะให้เธอะ เมตตาบารมีคืออะไรเมตตาก็คืออัธยาศัยเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายการที่เราจะช่วยเขาถ้าเราไม่ให้ของข้องเขาที่เขาต้องการแล้วจะเรียกว่าเมตตาได้อย่างไรหรือเก็บเมตตาไว้ในใจแล้วให้คนอื่นก็เดือดร้อนไม่ใช่หรอกถ้าเมตตาก็มีอะไรเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมใช่หมถ้าคนที่มีเมตตก็มีเมตตาอย่างนั้นแหละน้อมไปเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาได้อย่างไรจะส่งเคราะห์เขาได้อะไร ถ้าเขาหิวเราจะช่วยเขาได้ตรงไหนถ้าเขากระหายเราจะช่วยเขาได้ตรงไหนถ้าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรต่างๆเราเกื้อกูลเขาได้อย่างไรเป็นต้นอัธยาศัยแบบนี้แหละเรียกว่ามีเมตตาอุเบกขาอุเบกขาบารมีก็คือพึงความเป็นกลางในความผิดปกติในสัตว์และสังขารเป็นต้นคิดดูนะว่าถ้าท่านไม่มีอุเบกขาเนี่ยนะท่านจะเจริญกุศลได้ไหมเช่นว่า ตอนที่จะถวายรองเท้าให้ร่มไปเนี่ยรู้ไหมว่าหลังจากให้ไปแล้วอะไรตัวเองจะเกิดขึ้นถ้าอะไรอาวนในในของเหล่านั้นว่าโอ้ตัวเองจะต้องสูญเสียจากของรักขณะเดียวกันเดียวก็เดือดร้อนแน่นอนเดี๋ยวถ้าเราให้ไปแล้วเราจะเป็นสวมอะไรถ้าเราให้ร่มไปแล้วเราไม่ร้อนแย่หรือเป็นตน้นแต่ท่านก็ยังวางใจได้เนี่ยนะวางใจได้ว่าอะไรก็จะเกิดก็ให้มันเกิดไปเนี่ยนะ แต่หมายคําว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ใช่นะหมายควาว่าถ้าทําคุณงามความดีเจริญกุศลเต็มที่แล้วทําด้วยความไม่ประมาทก็ยอมรับในทุกสภาพพรนะท่า น, นก็เลยวางใจไม่เป็นกลางทั้งที่เช่นสังขารภายนอกใช่ไหมขณะเดียวกันเนี่ยนะคนที่ทําบุญมากๆอย่างนี้ถามว่าคนชมหมดไหมยังว่าคนชมไหมไม่หรอกเนี่ยนะคนที่ด่าก็มีเชื่ อ, เ, อเนี่ยนะ เพราะันก็วางใจได้เนี่ยนะไม่อะไรนะไม่เดือดร้อนกับคนที่มาว่าร้ายแล้วก็ไม่ลำพองเพราะคนมาชมเป็นต้นเนี่ย น, นี้เรียกว่าอุเบกขาปัญญาบารมีเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าถ้าปัญญาตั้งแต่เกิดไม่เกิดมาเป็นคนที่มีปัญญาประกอบจะรู้ไหมว่าตัวเองควรจะให้ทันเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่ฉลาดมาตั้งแต่เกิดเป็นต้นมาเนี่ยนะยากที่จะให้ถาดน ปัญญาอันเกิดขึ้นเองตัวนั้นก็คือปัญญาตั้งแต่เกิดมานั่นแลเป็นสหาชาติปัญญาเป็นสหชาติกาปัญญาเป็นปัญญาที่แสดงว่ากรรมที่นำเกิดเนี่ยเป็นกรรมที่มีปัญญาประกอบขณะเดียวกันท่านก็ยังมีอุปยโกศเพราะรู้ว่าอะไรเนี่ยมีอุปการะต่อการให้ทานอะไรเป็นอุปการะต่อการให้ทานอะไรไม่เป็นอุปการะต่อการให้ทานยังคิดดูนะว่า พระโพธิสัตว์ท่านรู้นะว่าอะไรเป็นอุปการะต่อการให้ทานเช่นบริวารคนรอบข้างบุตรภรยาเป็นต้นเนี่ยถ้าหากว่าบุคคลเหล่า น, น, นั้นไม่อุปการะะให้ทานได้ไหมก็ยากขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไม่มีของที่จะให้เอาอะไรมาให้ท่านรู้นะว่าอะไรเป็นอุปการะต่อการให้อะไรไม่เป็นอุปการะต่อการให้ศีลก็เหมือนกันอะไรเป็นอุปการะต่อการรักษาศีลอะไรไม่เป็นอุปการะต่อการ รักษาศีลอะไรที่ไม่เป็นอุปการะตัดออกไปอะไรที่เป็นอุปการะก็เพิ่มพูนมุ่งปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอุปการะแยกเหตุแยกผลแยกสิ่งที่เกื้อกูลแยกฐานะอัะฐณนะแยกแยกเหตุผลออกทั้งหมดแล้วละสิ่งที่เป็นเหตุไม่ดีเพิ่มพูนเหตุที่ดีเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็ด้วยอํนนานาจของปัญญาของท่านสรุปว่าบา ร, รมีทั้งสิประการเนี่ยนะจริงๆอ่ ะ, อะเนื่องจากการให้ สังกพราหมณ์เนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีได้ทั้ง10ประการแต่ว่าที่เด่นเป็นพิเศษก็คืออะไรทานเนี่ยนะทานเนี่ยหมายถึงว่าตัวเองจะเดือดร้อนขนาดนั้นก็ยังไม่ล้มเลิกในโครงการที่จะคิดให้ทานก็เลยยกฐา น, เ ป, นเป็นใหญ่ขนาดเดียวกันเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้แต่ทานอย่างเดียวหรอกท่านยังมีมีอะไรมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกเยอะคือกรุณาท่านมีกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ ที่บอกว่าคุณของพระโพธิสัตว์เป็นต้นท่านไม่คํานึงถึงพวกขสุขของตนด้วยอํานาจกรุณาใช่ไหมท่านไม่ได้คิดถึงความความเดือดร้อนของตัวเองเลยนะแล้วก็ไม่อาลัยอาวรณ์ในความสุขที่เคยมีอยู่เพราะกรุณากรุณาของท่านบอกว่าเราจักบาเพ็ญทานบารมีอ น, นะก็เตรียมการเดินทางไปในมหาสมุทรเพื่อนําสัมภาระในการให้นนะ คือถ้าหากว่าท่านไม่น้อมไปเพื่อที่จะเจริญบุญเนี่ยนะไอถ้ถามว่าการตั้งโรงทานก็คืออะไรสมมติท้าโรงทานของท่านตั้งมานานถ้าท่านเลิกตั้งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคนนี่เดือดร้อนไม่ใช่น้อยเลยนะอย่างที่หลายท่านเนี่ยนะที่ยังไม่ล้มเลิกในการประกอบการงานอยู่ก็เพราะมองเห็นว่าท่านเลิกเมื่อไหร่คนอื่นเดือดร้อนมากมายก็เลยด้วยใจกรุณาต่อผู้อื่นเราจะทาใจได้อย่างไรเมื่อคนอื่นเขามี ความทุกข์เมื่อคนอื่นเขาเดือดร้อนเราจะทําใจอย่างไรเพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้ก็ล้มเลิกไม่ได้ก็ต้องเกื้อ ก, กูลกันไปหลายคนเนี่ยเขฟังมาแล้วนะเขาบอกว่าเขาเลิกไม่ได้หรอกที่เลิกไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาเลิกแล้วคนเดือดร้อนมากเนีย่ยนะคนที่พูดอย่างนี้ก็มีไม่ใช่น้อยเพราะอะไรเพราะเขามีใจกรุณาต่อผู้อื่นสงสารผู้อื่นนั้นก็เป็นกรุณาของท่านพระโพธิสัตว์ก็ด้วยใจกรุณานั่นแหละ ที่ที่แบบกรุณาต่อว่าสัตว์เฉพาะหน้าถ้าเขาไม่ได้รับทานเขาจะได้อยู่ได้อย่างไรเขาก็เดือดร้อนแน่กรุณาที่จะเปื้องให้เขาพ้นจากทุกข์ด้วยการให้ทานขณะเดียวกันการการให้ทานของท่านก็ปรารถนาเพื่อโพธิญาณเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะปลดเปื้องหมู่สัตว์ให้พ้นไปจากทุกข์เนี่ยนะท่านการที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์เนี่ยต้องปลดเปื้องเขาในชาตินี้ก่อน ให้เขาไม่เดือดร้อนในเรื่องอาหารปลดเปื่องแนะนำคุณงามความดีให้เขาพ้นจากอบายเป็นต้นขณะเดียวกันเนี่ยบุญกุศลที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้เกิดจากการให้ทานรักษาศีลเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้เปลื้องเขาให้พ้นจากทุกในวัตตะเป็นต้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นฐานบารมีที่เกิดจากกรุณาของพระองค์ทีนี้ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยั ง, งตกลงไปในมหาสมุทรใช่ก็อธิษฐานอุโบสถ อธิษฐานอุโบสถแม้แต่เขาเอานำอาหารมาให้ผิดเวลาก็ไม่รับเนี่ยนะก็ด้วยอำนาจการรักษาศีลท่านตามรักษาศีลไม่ใช่ตามรักษาชีวิตเนี่ยนะศีลเนี่ยเป็นบารมีใช่ไหมก็ตามรักษาศีลส่วนเนื้อหารายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะก็เหมือนกับในเรื่องอกิติดาบทมันถ้าหากว่าสรุปสรุปตามที่ที่อัตถกถธายกมาก็บอกว่าน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้วพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้สแสวงหาคุณธรรมใหญ่หลวงคือสแสวงหาโพธิญาณเนี่ยนะมีกรุณาท่านเป็นนักปราดเป็นเผ่าพันุ์เอกคือเป็นญาติเทระว่าเป็นญาติคนเดียวของสัตว์โลกจริงๆเป็นญาติที่หาได้ยากในหมู่สัตว์โลกว่างั้นพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์มีอนุภาพเป็นอจินไตยมีพระสัตรธรรมเป็นโคจรในการทุกเมื่อมีความประพฤติขัดเกลากิเลสอย่างหมดจด พายุใหญ่มหาสมุทรมีคลื่นซัดเป็นวงกลมพระโพธิสัตว์กระโดดข้ามแดนนั้นไปได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาพระโพธิสัตว์เหล่านั้นแม้เป็นผู้เจริญโดยสัญชาติในโลกเป็นผู้อบรมดีแล้วก็ไม่ติดข้องด้วยโลกธรรม ท, ทั้งหลายเหมือนดอกบัวไม่ติดด้วยน้ำํำฉะนั้นความสเสน่หาเพราะการุณาในสัตว์ทั้งหลายย่อมเจริญโดยประการที่ท่านละความสเสน่หาในตนออกไปของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย กรรมอยู่ในอำนาจไม่เป็นไปนตามอำนาจของกรรมเหมือนจิตย่อมอยู่ในอำนาจทั้งไม่เป็นไปนตามอำนาจของจิตฉะนั้นพระโพธิสัตว์เหล่านั้นเที่ยวสแสวงหาโพธิญาณอันโทษไม่ครอบงำหรือไม่เกิดขึ้นเหมือนบุรุษทั้งหลายผู้รู้ถึงความเส่อมแม้จิตเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พึงพ้นจากทุกข์ไปได้ น, นี่ยนของเราทั้งหลายที่บอกว่าถ้ายังใจให้เลื่อมใสในคุณงามความดีบุญกุศลที่พระโพธิสัตว์ได้กระทําไปก็ยังพ้นจากทุกข์ได้จะพูดเรียกว่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการทําตามสิ่งที่ท่านเหล่านั้นกระทําหรือจะป่วยกล่าวไปใหญถึงการปฏิบัติตาม โดยทำตามสมควรแก่ทำเล่าจะกล่าวไปใหญ่ถึงการปฏิบัติตามสิกขาสามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เล่าที่จะไม่นำเราทั้งหลายออกไปจากทุกขน่ยนะใก็เป็นเรื่องโดยสรุปของเรื่องของสังฆพรามวันนี้ก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้จนปัน